นโมตัสสะพุทธวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพุทธวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพุทธวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอิติปิโสพุทธวะรังสัมมาสัมพุทโธพุทธวะตีติ ในโอกาสบัดนี้อาจจะมาพาจะสแสดงพระสัรพ ม, มเทสนา <c oughs> เนื่องในวันวิสาขาบูชาเพื่อเป็นเครื่องสดทงองคตธาบรามีขว้นดาตัณมบริษัทอย่างหลายวันจริงวันวิสาขาบูชานี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราว่าเป็นวันเร์สูตรเป็นวันปฏิรูปและเป็นวันนิพพานพระองค์สมเด็จเสดสัมมาสมาัาาสมพุทธเจ้าเสด็จเจ้าทรงเบอร์สูตรจากพระคันมันดาก็วันนี้ปฏิรูอพิเศษสัมมาสัมพุทธีญาณก็วันนี้ทรงนิพพานก็วันนี้ธรรมดากันพุทธบริษัทกันหลาย วัดความบังมางมรพระองค์สมเด็จพระจอมไตรพรูมิศักดิ์เนสนาธมมาทุเดชญาบรรดาตาพุทธวิสัพท์อันหลายก็ทราบแล้วตอนนี้จะนาําอวตารคำส่องสอนพระองค์สมเด็จพระบรมที่แก้วเนื่องในพระประวัติตอนใลกล้จะนิพ า, านไม่บรรแดงกับบรรดาเต็มพุทธวิสัพน์อัหลาย แต่ก่อนแสดงเวลากใกล้ปัยขอแสดงตอนต้นคือก่อนอรรถวัิเศษสัมมาสัมโพธียานก่อนคือองค์สันเด็จเปชินวรวรรสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบังษะคืออายุได้ยีเก้าปีองค์สัเด็จเปชินวรสีก็ทรงเด็กเป็นสวนมันตะวันคือสวนขวัญดีกว่าสวนก็แล้วกันไปกับนายฉันนะ เป็นว่าเอค์สมเด็จตัสมามัสมเดจจ่ามีทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อมรู้อวิเศษสมาธิพุทธิยานชึ้นเวลาเสียสงไขยจะแสงกลับใ น, ใ, นในกายเกิดขั้นหลังนี้เป็นวาระที่ยมรู้อวิเศษสมาธิพุทธิยานเป็นโสตจ้าวแต่การที่ยมรู้อวิเศษสมาธิพุทธิยานก็ดีทั้งวันดาประสาททั้งหลายยมรู้โซดาภีทาคานาคาหลายก็ดี ทางนี้ยังขึ้นแต่เวลาของบารมีไม่ใช่ว่าคนที่มีบารมีเต็มเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระอรหันส์นรสตาภิตาคา น, นาค า, า, ห า, ารหันไม่ใช่ต้องร อ, อ ก, ก่อนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินบวรก็เช่นเดียวกันคาว่ารอก่อนในที่นี้เพราะการเกิดของเราบรรดาท่านพุทธบริษัทการเกิดของเราทุกชาติเราทําทั้งความดีและความชั่ว ทีรเราสาพระฤาษีทำทั้งบุญและบาปทำด้วยกัน ท, ทุกคนเหมือนกันแม้แต่องค์สัเด็จพระพุทธวันบริมาสสาวชนดา ส, ส, มาสัมมาทิเจ้าก็ทำมาเช่นเดียวกันในตอนต้นที่องค์สมเด็จพระพุทธวันเกิดขึ้นมาแล้วจำต้องอยู่ตรงนี้อีกเก้าปีตอนนั้นอกนโกษและบารมีเป่นบุญที่ไม่ดีเข้าขวางทางในใจขององค์สมเด็จไตรจอมไตรบริมาสาวชดา ต่อมาอโกศลถอยหลังไปหรือแต่บาลมีที่เป็นโกศลเต็มที่วันหนึ่งองค์สมเด็ดจพระยาสีสุน陀เด็ชสู่ขนนั้นวันนั้นก็เป็นวันพอดีที่บรรนางสินพาราชเทวีเรือสวดพระราหุนพอดีแต่เวลานั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายก็ไปชมกันว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระพักรวยคือกิตติษฐราชประมาณ เป็วาระที่จะออกมหาผู้วิเนเศกรมคือจะต้องเป็นพระเจ้าต่อไปยังได้สแสดงเทวดทูตสี่รายการขึนหนึ่งสแสดงคนเด็กเอ็นเด็กเล็กๆ2ก็กกสกสแสดงอาการคนคนป่วยเสือภาพของคนป่วยสามสแสดงการคนคนตายแล้วสี่สแสดงภาพภาพเป็นพระอันนี้เป็นการสแสดงเป็นตัวทั้งหมดหเห็นเด็กเล็กๆหนึ่ง เห็นคนแก่หนึ่งเห็นคนป่วยหนึ่งแล้วก็เห็นคนตายหนึ่งแล้วก็เห็นภาพพระตอนนั้นองค์สังเดชองซัมมาทัาธุลิจ้าท่นถามในฉันนะที่เป็นคนขับมา้าขับรถรถม้านะถามว่าเป็นประเหตุใดแต่ความจริงในชันเนี้ยไม่มีความรู้ในาศาสนานี่เลยก็เป็นคนรับใจแต่วเวลานั้นเทวดาเข้าโดนใจ ให้ในชนะต่อ ว, ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ขณาที่แก่กําลังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีอาการป่วยไข้มาสมบายและมีอาการตายเป็นสุดถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดในวัดต่างลงสารก็มีความทุกอย่างนี้ไม่มีที่สุดสุดต่อมาไม่เห็นภาพพระก็ถามในชนะนี่ว่าอะไรเวลานั้นพระสงแต่งกายอย่างนี้ไม่มี มีเจ้บรรดาเจริญขั้งหลายหรือบรรดาเดียถิ่งหลายแต่งตัวไม่เหมือนอย่างนี้ในขณะในฐานะพิเทวดาเนขะ้ า, นะานะครอบครองใจพระกราชูลณองค์ทผลเด็ชใจจอมใจว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพพ ร, าพระสงฆ์พระพุทธค่ะเป็นผู้ตัดกิเลสคนที่ตัดกิเลสหมดจะหมดเจากความทุกข์คือไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏ ส, สงสารตายแล้วก็จะไปนิพพานมีแต่ความสุขอย่างเดียว องสมเด็จพระสัมมาทธเจ้าได้ทรงสดับแล้วสมเด็จพระทพิตแลวก็ทรงคิดว่าเราจะต้องหาทางพ้นจากความตายนี่เสียงอะไรเสียงอะไรให้เขาใ้เขาเลยูฟังดีไหมไอเสียงก้นกล้องนั้นมเวลานี้ หาทางพ่อใหญความตายไดยองค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมศัศกดิ์ดาประกัศว่าเราจะต้องออกสู่มหาพิเนศโกรมก็เป็นเวลาพอดีบรรดาเจ้าพุทธวิสัททั้งหลายเวลานั้นเมียหมายเข้ามาทูนใหญองค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมศักดา์ดาว่าเวลานี้เป็นนางพิมพาประสูติพระราชโอรสกลายขุว่าเป็นชาย สมเด็จระจามไตรยรงสัตย์ดาจะคิดในใจว่าห่วงใหญ่เกิดกับเราแล้วหนาะคิดได้ว่าปวดตังคีเวหัวลูกโคขอแต่ถึงกะไรก็ดีเราต้องออกบทวันนี้เพื่อสู่มหาพิเศ้ครมหาธรรมะที่คนเกิดแล้วไม่ต้องตายต่อไปนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจมาัยก็ทรงสมเด็จเข้าสู่พระราชินิเวศ เมื่อเข้าเป็นแล้วองค์สังเด็จเทวโรภโลเกชัยก็ยังไม่ไปเยี่ยมพระ น, นามสินพาคอยอยู่ตอนพอยจนกว่าเวลาเด็กพระ น, นามสินพาหลับก็ย่องเคยดูเห็นมารด้ก็ดีพระราชโอ ร, รสีต่างคนต่างหลับที่คิดเชงกล่าวคําอําลาพระ น, นามสินพาทั้งหลับหลับเอลาเวลาหลับคีณพระยิ่งได้ยินหรือเปล่าไินไหมได้ยินหรือพระเจ้าที่องค์เดียว ห, หลังจากนั้นก็มาขึ้นมกามากำลังกระกคือมาใไปจ่มโสงมาตัวนี้มีกำลังมาก น, นายขันนะก็มีกำลังมากฉันเด็กก็พูดมีาท่าก็มีกาลังมากออกประตูในตอนดึกพอถึงประตูก็ไม่มีคนเปิดเพราะประตูนี้ใหญ่มากเวลาจะใช้คนเปิดต้องใช้คนหนึ่งพคนเปิดที่จะออก แต่ต่างคนต่างคิดว่าถ้าประตูนี้ไม่เปิดพระพุทธเจ้าคิดว่าเราจะเปิดเองม้าก็คิดว่าถ้าประตูนี้ไม่มีใครเปิดเราจะเปิดเองในฉันนะ้นก็คิดว่าประตูนี้ถ้าไม่มีใครเปิดเราจะเปิดเองก็ปลายกฎประเหตุอสัจจรรย์ปลายกฏมีนามาในปฐมมณสงฆ์บรนดาเชื่อใจหลายที่กัดนุนองค์สมเด็จพระกัลยาณมโนสารสันดาลสมมาทิฏเจ้าก็ทรงบันดาลให้ประตูเปิดเอง หลังจากไม่เอาทรงฉี่มา ก, กรรมกะมีในขันมะเป็นผู้นำออกจากพระราชนิเวศเวลานั้นปรากฏพุทยามาราธิราชพุทธยามาราธิราชเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านปรินิจวะสวัสิดีคือบัเพ็นบา ร, รมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ได้สายความโลภเทวดาองค์นั้น คิดว่าถาพระสิทธาล้าชร ม, มานเป็นพระพุทธเจา้าสอนคนปณิพานัาทั้งหมดเวลาที่เราจัดเป็นแบบเดียงพระองค์สมเด็จพระบรมมุขตจะไม่มีใครรับฟังเศษในความ โ, โททมโหนิบัตก็มาโืงขวางหน้าห้ามพระสิทธาลา้านพิรมานจะไปไหนที่หยุดก่อนสมนนเด็จพระจินนยวอนก็ทรงหยุดถามว่าห้ามทําไมเขากล่าวว่าอีกเจ็วันดำเ น, นินจารพัท ก็คือผู้ปกครองโลกจะถึงท่านแล้วขอท่านจงปกครองโลกให้มีความสุขต่อไปองค์สมเด็จเจ้ า, ามากุฎรมาชกัญญาภิบาลเราทราบแล้วว่าถ้าอยู่ไปเคลื่อนไหวเราจะเป็นจักรพรรดิปกครองโลกแต่การปกครองโลกไม่พ้นจากความทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าสอนคนให้มีความสุขคือปฏิภาณมีความสุขกวา่า ต่อเมื่อไรบรรดาบริษัททั้งสี่เชลมาสอุมาลิกาวิสุทธะนันแมพิสุอิสุณียังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เพียงใดเราจะไม่ยอมกลับไปบ้านของเราเมื่อปัญญามันเห็นแบบนั้นก็ต้องเลี่ยงไปหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรโรัตน์สุรยาเราถึงฝ่ายที่ตระหนัมรดกตายยวันพระองพาเมืองค์ส ม, มสสเด็จพระพเกวีน ก, ก็ไปตัดพระเมารีแต่ถึงที่แล้วนะ พอถึงที่ป่านี่แล้วก็ทรงตัดเท่าเมารีด้วยก็แ ข, งข็งจะตัดผมการตัดเท่าเมารีที่บรรดาท่านพุทธวิษัทที่บรรดาบางท่านคิดว่าพระเจ้าต้องมีจุกบนกระหม่อมนะไม่จริงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นอจาริยะมนุษย์เวลาตัดเท่าเมารีผมก็ยาวบ้างสาั้นบ้างแต่ผมนี่จะบินไปดาวสินาวัตกอดกับหนังของพระศีรษะเหมือนกับโคนผม มีบางคนคิดว่าพระพุทธเจ้าจะมีมวยผมกระบนนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าบางครั้งที่พระอนนั์นพระอนุนโดยพระตัณฐามีร่างกายต่ํากว่าพระพุทธเจ้าเพียงแค่สี่นิว้วแต่รูปร่างเหมือนพระพุทธเจ้ามากเดินมาจากทานไกลบรรดาพระสนมหลายคิดว่าพระอนุนคือพระพุทธเจ้าลุกขึ้กราบไปไกลนี่เห็นไหกว่าองค์สมเด็จพระจอมไกลมีพระทิ์ศีรษะ ไม่เหมือนไม่ใช่แปลกธรรมดาประสงค์ทั้งหลายเหมือนนัโกนและสิ่งที่เป็นมหาจะการก็คือว่าตัดแล้วผมจะไม่ยาวต่อไปเวียนไปทัศนิวัตแบบนั้นโดยฟาบาองค์สันเดชพระพักตรวันก็ทรงทดลองวิธีกุงกลางอยู่ตั้งหกปีทดลองยิ่งกว่าทานทัหลายองค์สันเดชพระจอนใจ ร, รู้สึกไดเห็นว่าวิธีนี้ไม่รู้อภิเศษสมาทิปัญาาไม่มีมรคน ต่อไปองค์ชนเด็จพรปทศพลก็ทรงปฏิบัติทางใจวาดปฏิบัติทางใจได้แค่คืนเดียวบรรดาแานพุทธบสัตว์ก็ทรงด้บรรลุมรคนคือในยามต้นได้ทรงบรรลุ ป, ปกเพรีวาสารวิญาณตนนี้ยังเป็นฌานโลภีปกเพรียวาสารวิญาณ น, นี้คือระลึกชาติได้ยามที่สองได้จุตูปปาฏิญาณคือทิดยุคยาน รู้กายเกิดด้วยการตายของสัตว์ทราบประสาทที่เกิดมาในโลกนี้มาจากไหนบ้างที่เจ็บบ้างรวยบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นคนบ้างเป็นสัติฉันบ้างเพระกดทกข์กรรมอะไรเคนตายเป็นแล้วไปเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนรกเป็นสัจนะรูเป็นเปรตเปรตกายสติฉันบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเพราะกดทุกข์กรรมอะไรอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรพรปิฎกสดาทราบโดยตรงตัปประพาติยานข้อสมิสรงตั แต่ว่าสามพระองค์สมเด็จพระองครูที่นั่งดิฉันลานิโกทราบเวลานี้เนี่ยซือจะบัตรหนึ่งว่าการพิจารณาเรื่องสองรา ก, การนี้ต้องเป็นสระราหก่อนนะไม่จริงเพราะหลักสูตรของที่บรรดาเป็นบริษัทชายหญิงที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คือเป็นหลักสูงวิชาสามอักษัญญาอันนี้ได้ทศชาญโลกีหลังจากนั้นพ ย, ยายามสามองค์สมเด็จพระมหาหมุนีก็ทรงเข้าใจด้านด้านอัจฉริยะษ หมายความว่าสมาธิดีขึ้นจิต ก, ก็สงบได้ปกโครื่วายสารายนั่งถอยหน้าถอยหลังแล้วเกิดชาติไหนม่บ้างไปอะไรไมันบ้างก็ทรงทราบว่า ก, กายเกิดของเรานักไม่ทนเป็นสัตว์มากกว่าเป็นคนลงมารกมากกว่าเป็นเทวดาลักตรงก็จะมีความเบื่อหน่อยในร่างกายหลังจากนั้นไปว่าเกิดนิพพ า, าน สมเด็จพิจมัยก็ทรงเข้าใจในเรียสัตว์ก็พิจารณาในเริยสัตว์พอถึงยามสี่ก็มาล้วนเศดสัมมาสัมพุทธยานนี่ในตอนต้นบรรดาธรรมพุถุยสัตว์ทั้งหลายหลังจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสัญญาสัมมาทัสสะก็แสดงว่าธรรมเทศนาโต่อผู้ปฏิบัติถึงพรรษาที่สี่ถึงห้าบวกก็ยี่สิบแปดก็เป็นมนุย์เท่าไหร่ โบยีสิเก้าถ้าจำไม่ผิดเวลาด้านตะแปดสิบปีใครจะบวกในเอาเองก็แล้วกันโ <c oughs> บ, บั้งลบบั้งคนแก่เทศวันนี้จะลืมเลขไปแล้วจะออกโสดมาพะอาโศมมหาพูเก็ตเรกรมอายุยี่สิบเก้าปีต้องใช้เวลาหกปีคนควาก็อายุสามสิห้าแล้วก็ประกาศต้องศาสนาไปสี่ห้าปีไปแปดสิบปีพอดี ตอนนั้นปรากรกฎองค์สมเด็จพระจีนสีพักอยู่ที่ปาวาเลเจดีในตอนนี้องค์สมเด็จจินสีทรงเข้าไปชวนมากเวลานั้นปรากรกฎองค์สมเด็จก็ผู้มีพระทาาเจ้าใครเข้ามาฟังเทศยารัดไม่เทศก็สูวรกฐาดกยาเทศเฉพาะสีลสมาธิปัญญาพระป่วยมากเควืร่างกายแก่มากแล้ว ก็แปลจบเพ็าวาธัพิองค์สมเด็จพระบทัทฑิแก้วจะต้องนิพพานมาวันหนึ่งมารผู้มีบ า, าปหม้พยามาราชีราชเข้าขาไปกา ร, ราบทูลองค์เด็จพระบรมรกปนาฏราชพรสัมมาณัโคดมวันที่เราไปรบกวนท่านดีนนโคนต้นโพไม่กี่ไม่ได้เทศไปคนต่างคนต่างรู้แล้วแต่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจกริยว่าถ้าบริษัทธศี ที่วิสุทธิสุนีบาสุบาติกายยังไม่บริบูรณ์เพียงใดเราจะยังไม่ไผ่านเสียงนั้นถ้ากล่าวว่าเวลานี้วิสุทธิสุนีบาสุบาติกามีมากแล้วบริบูรณ์แล้วเขา อ, องค์สมเด็จพระบพตรแก้วจงนิพนธองค์สมเด็จพระจิตมัยเขาทรงตัด่าปาบิมะโดกอนไมื่อผู้มารผูมีบาปเคยอยู่ในฝ่ย เมื่อเขากลับไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรปมิสสะสันดาลก็เ็นาร่างกายว่าเป็นแก่มากแล้วทุโสมากแล้วร่างกายยัทำไม่ไหวยานจะต้องนิพพานในวาระนีเพีงตัดสินใจวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามพิศวรมาฆฆบูชาองค์สมเด็จพระรอมสันดาลยินดทรงปรงอายุสังขาร ว่านับแต่บัดนี้ไปสามเดือนเราะิะพานในระหว่างนางดัง ม, ม, าา ม, มัคูร์เมืองกุสิจรามมหาเมฆอนวันกลางเดือนหกเพื่อตรงกับ ว, วันิพสนบรรดาตรู้ระบาิผ่านอองค์สมเด็จพระจิตมารทรงพระองอายุสังขารแล้วเผ็นดินกไ็ไหวราชนลมีความสงสยัยนีเข้าไปถามปัญหาเผ็นดินไหวข้าบอก ม, มีแปลกปรการก็ไม่ขอเทศในที่นี้ หลังจากนั้นไปองค์สมเด็จจินสีก็ทรงป่วยหนักขึ้นมาทักทีเวลาในตอนนั้นป ร, กรากฏว่าเป็นโกมารพัฒ์หมอประจำพระองค์ไม่อยู่ต่อมากลับมาทราบว่า อ, องค์สมเด็จพระบรมครูป่วยหนักร่างกายสูบดชิดมากแต่ก็ไม่ละการสนแสนดงพระธรรมเทศนา ท่ากลุมารภัตชเวกราบทูลถามองค์สมเด็จโตสัมมาทิฏฐิเจ้าพันเตพระเกวาแค่แต่องค์สมเด็จโตผู้มีพระภาคเจ้าผู้เดินพระพุทธเจ้่การอาการป่วยขององค์เป็นเรการใดข้าพระเจ้าจะทเทวปฏิยาเม็ดเดียวให้หายทันทีกรารทูลอย่างนี้ถึงสามครั้งพระเจ้าก็ไม่ทรงตอบเพราตั้งใจเวละอีกสามเดือนขึ้นมาโดยสาขาการนิพพาน ถัาฉันยาท่านโกมาราพัทท้งต้องไม่ตายแน่ตายไม่ได้องค์นีการตายได้หลังนี้นองค์สมเด็จเจริญใจไม่ทรงตอบท่านโกมาราพทัทก็เริ่มเสียใจว่าคิดว่าเราจะตายก่อนพระพุทธเจ้านี้ผ่านพ่า น, นไม่ยอมตอบแสดงว่าผ่านก่อนเราตายหลังจากนั้นก็มาคิดใหม่ว่าเราจะถวายยาหนึ่งเม็ดถ้าพระพุทธเจ้าฉันยาเม็ดนี้เราจะทราบได้ทันทีว่าโรคนี้เป็นโรคอะไร และวจะถวายยาใหม่หนึ่งเม็ดโท้นี้จะหายทันทีท่านทำยานี้ข้าพเถวายก็ปรากฏองค์สมเด็จพระจอมใจไม่ทรงรับขัามเมื่อเสียเรื่องพระเจ้าจะทำได้แค่สามครั้งถามไม่เกินสามครั้งถวายไม่เกินสามครั้งถ้าไม่ตอบหรือไม่รับก็ต้องเลิกกันเมื่อท่านโกมารพัดอวยานี้นันถวายพระเจ้าพระเจ้า่ํามหรือไม่ยอมรับสามมระท่านก็เสียใจ ว่าครามีองค์สมเด็ประจอมใจรยองค์ศาสนาต้องมีขันแน่ไปยาเวินี้ไปไหนเราทําถวายพระเจ้าไม่ควรมีใครกจจินก็เลยไปทิ้งลงในบ่อน้ําบ่อที่เขาทาน้ำจิ้ปรากฏเหตุอัศจรรย์คือน้ําุูงขึ้นมาทังปากบ่อเขาบ่อนั้นมันลึกิดวากว่าแต่ตอนหลังพระดีกาจาย์เขียนบอกว่าน้ําพุ่งเลยปากบ่อไปจิตทั่วลำตาน มันมานานๆกัเหมือนทวันยาวเลไปถามที่โกมาพระบท่านจบอกนานๆมันก็ยาวไป็นของธรรมดาหลังจากนั้นองค์สังเดจเทวประมศาศสันใดาลประเทศอยู่ถึงสมาธิปัญญาโดยปกติออกใกล้จะถึงกลางเดืนหกคือวันขึ้นที่สี่ค่ำเหมือนมื่วานนี้องค์สังเดชกจินาศีก็ไปให้ราห่านโดย ก, กาศว่าวันพรุ่งนี้เอาก็มีสานค่ำนะเป็นมีสามค่ำเดืนหก เห้ไปกลวันพรุ่งนี้วันขึ้นที 4, ่สี่ข้นมหกตถาคตจะไปปุจจิราหมานครพระสงฆ์โองไหม า, ายจะไปจะตถาคตบ้างก่อไปเวลานั้นปรากฏคันดาพระรัตนหลายมีที่ตั้ ง, ง ป, ประชุมอยู่ที่นั่นสองแสนองเษต่างคนต่างก็ติดตามองค์สมเด็จพระบร ม, มรุกเทอย่าลืมว่าเวลานั้นมีพระรัตน์เป็นไปสัญญาญาณก็มากแล้วก็มีจิตญาก็มาก แต่เราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแค่องค์เดียวสามารถจะพาพระทั้งหมดออกไปได้ไหมที่เป็น ผ, ผนกิชนด้วยกำลังนี้ก็องค์สมเด็จพระเทศนแต่พระองค์ก็ไม่ทรงทำเพราะ ก, กาลังเขาสัญญาเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่มีความจําเป็นเท่านั้นนั่นตัวท่านป่วยหนักเดินจะไม่เคยไหวอยู่แล้วแต่องค์สมเด็จพระพุท ธ, ธแก้วก็ไม่ทรงใช้สัญญาเดิน อาวาเเจดีไกรโ ย, ยกุตินารามาคนครประมาณร2อยยี่สิบโยต์ขณะเดินไประหวา่างกลางบรรดาธรรมภูิบรสักเพีย6หกสิบโยต์พอดีองค์สมเด็จกินาสีก็หันมาบอกว่าอนว่ า, านันทาดูก่อนอนนลจยงปูสังฆาติาจะขาคตแเยนนั่งตรงนี้ทักหน่อยเพราะตาโคดเหนื่อยเกินเดินไปไม่ไหวตอนนี้ถึงบ้านนก็ร้องไห้ ตระยะาาเวลาแค่หกสิโยชน์องค์ทุนเดชปจอมไตรพุรมศาสดาไม่เคยผลดเมืเอยร้อยี่สิบโยชน์คนหนึ่งเดินได้บสบายแต่ว่าตอนนี้องค์ทุนเดชประจอมไตรพุรมศาสดาทรงประชวรหนักต้องการยาพักว่านนทูผ้าสังคติพระเจา้าก็ทรงเสด็จประทับนั่งว่าใจะจะพระ อ, อนนทวา น, านันทพระโดก่อนอานนทตถาคดมีความระหายน้ํามาก ยังไปตักน้ำมาถวายจะถาคตเวลานั้นระยะใกลใ้ๆกันพักใกล้แม่น้ำแต่แม่น้ำก็ต่งเขินมีน้ำไม่ลึกถ้าโนนไปเพื่อ่าตักน้ำมังเอิญด้านเหนือน้ำมีเกือนห้าร้อยเล่มข้ามพอดีไวบนน้ำที่จะตักมาถวายองค์สมเด็จนสีมันก็ขุ่นจัดโซนตรมขึ้น ถ้าเรากลับมากราบโหรองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปันเตภะกวาร้าแต่องค์สมเด็จพระพูมีพระพ่ า, จาเจ้าพระเจริญพระพุทธเจ้าค่าน้ําขุนจัดไม่สามารถจะตักมาถวายได้องค์สมเด็ดจพระจอมไตรก็บอกว่าอานันทา ด, ดูก่ณอ์อนนนท์ตถาเขาก็หายน้ํามากน้ําคุนก็ขุนเลยตักอาตถาก็จะเสวยเขาจะฉัน พอจากที่นี้น้ำพระอันดุลก็กลับไปใหม่ไปใหม่ใใเัิงใกล้เหลือเกินห่างกันไม่กี่วานะักกลับไปตรง น, นี้รู้สึกว่าเป็นเหตอุอัศจรรย์น้ําที่คุณคลักมา่ี้นี้มันใสแจ๋วเหมือนกับน้ําแก่นตําส้มแ้าเดินเห็นไป็นเหตอุอัศจรรย์ตักมาถวายองค์สมเด็จพระปฐมกันแล้วพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จ ยังกราวคุณองค์สมเมดม็จพระพุทมีพระพ่าเจ้าวา่าพันเตพระกะว่าแต่องค์สมเมดม็จพระผู้ทธมีพระพ่ดเดาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะเป็นเรื่องอศัศจรรย์ไม่นี่ที่น้ำขุนมากแต่กลับไปเข่าหลังนี่นั่นน้าําใสผิดปกติสมเด็จพระพูมีพระพ่าเจ้ายังกล่าวว่าอนานพระดวก่อนอนอน์ขึ้นที่ว่ากรรมที่คือโกศุก็ดีและโกสุนก็ดีไม่ได้น้อยที่อยาประมาท แล้องค์พระเด็จพระบรมมาลงโลกกันหน้าเขาตัดจำดาผสมท้งหลายว่าพิกเข้ยเวดูกรที่สุทั้งหลายการมิเหตุน้ำเกิดน้ำขุน่นน้ำใสได้เป็นกฎของกรรมแร่ถาคดมาเป็นลูกขาวนาคนจนเวลานั้นองนค์สระเด็จพระทศรัตบรมสัาวันดาเกิดเป็นลูกขาวนาเป็นข่าวนาจนจนเวลาตอนกลางวันเขากดคลายจากไถนา แก่ลูกชายตัวเล็กขี่คลายดำไปเพื่อจะกินน้นําน้ําบ่อเล็กเล็กเข้าใจไปจะน้ําบ่อเท้าวคลายบ่อเล็กๆกมันมีสองบ่อติด ก, กันบ่อหนึ่งน้ำใสมากบ่อหนึ่งน้ำขุ่นมากไอเสียงหลับแรกทุบติดกันเลยแค่ย้ายปากก็ถึงแยกคลายตัวน้ำก็หย่อนปากจะกินน้ําขุ่น ใครเรามีความรู้สึกในตอนนั้นไม่จะเป็นเด็กวุ้ยควายที่เหนื่อยมากไม่ควรจะกินน้ำคุนแต่ควายอาจจะชอบก็ได้ควรจกินน้ำใส่ยิ่งเดินสะพายย้ายฝากไปกินน้ำใสแค่นี้บรรดาใะพุทธวิปัสสน้ตาสดจะนิพานแค่เล็กน้อยเท่านี้นะกรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นกุศลแรกกรรมใช่เป็อากุศลเล็กน้อยที่ขอแล้ชอบใจย้ายฝากไปกินของที่ไม่ชอบใจ เป็นหตุองค์สมเด็จพระจอมไตรต้องกระหายน้ํำผาตามไปอีกนิดหนึงตอนนั้นไปองค์สมเด็จพ ร, ระจอมไตรยพรมศาทสมเด็จฯก็ทรงเด็กมีหกขีดยอดถึงเมืองสุสิตนราหมาดก่อนเข้าไปพักที่บ้านในจุนตอนนี้บรรดาประชาพุทธบริสุทธิ์หลายก็พากันมาเป้าองค์สมเด็จพระจอมไตรามาก ในกรณีว่าพระอระหันต์มีจัง 2, สองแสนเศษยังมีพระโสดาภิธาการนาคาอีกมาก <c oughs> เวลานั้นมีเฉพาะพระอริยเจ้าเึีงทําอาหารทัางไหว้เจ ร, ริญทาสองแสนเศษต้องใช้าอาหารไม่น้อยจึงสั่งข้าตุ ก, กรอนเป็นจํานวนมากก็อาหารก็มีหลายอย่างไม่มีเฉพาะเนื้อสกรอย่างเดียว เวลาที่กัปหลงอาหารวัอาหารวันนิภายก็ดีวันรู้ ษ, ษ, ษึกสมาธิวิญญาณก็ดีต้องเวลานี้ก็ถือว่ามีสงดีเป็นกรณีพิเศษมนสงมากกว่าอาหารธรรมดาเทวดายังนำของทิษทิษมาโปรยไปในอาหารที่มีเนี้ขขอสกปรกอ่อยเพื่อจะทำบุญร่วมกับบรรดานายนายจูนและคนทั้งหลายเวลานั้นเมื่อเขาทำอาหารสุกแล้วคือ ถ้มามหาสุกแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑแก้บเจญัตนาทราบคนอื่นไม่เห็นเทวดาของที่มาใส่พระเจ้าเห็นองค์เดียวก็แต่จะในจึงว่าจันทร์ไตรจุนอาหารที่มีเนื้อสกรออ่อนถวายจะถาคตอองค์เดียวนะจะถวายพระอื่นทางนี้ท่าพราะอรหันอื่นไม่สามารถจะย่อยได้กินเท่าไรตายหมดพนั้นแต่ที่ท่าพราะองค์ทานพระองค์สมเด็จพระทรงทันบริัาลสันดาหองค์เดียวเท่านั้นที่จะย่อยได้ ในจุลก็นําอาหารที่มีเนื้อสกรอ่อนถวายแก่พระพุทธเจ้าอาหารชนอื่นถวายพระอื่นเมื่อเสวยเสร็จมันก็ไม่หมดองค์สันเด็จพระรองสุคติจึงสั่งในจุนบกวาจจุนทระในจุนอาหารเนื้อสกรอ่อนทั้งหมดที่ตถาคตกังเหลือนี้ไปฝังดินให้หมดอย่าให้คนอื่นกินเขาก็ฝังดินตามตามพระพุทธํดาดัต จากนั้นมาองค์สเมเด็จประทุรสมบัติมีภาพศก็เริ่มไปชนเป็นิเศษป่วยมากอยู่แล้แองค์สเมเด็จพระที่แกลป่วยใหม่หนึ่งโรคคือขันธิกาศธาตโรคขันธิกาศธาตที่คทายเป็นโลหิสตสดสดต่อจากนั้นไปองค์สเมเด็จพระบรมศุภครก็สเสด็จไปกุศลนราไปไประหว่ า, างหลังหลังนั่งโคกมีวิหารวิหีรนั้น ตอนนั้นนราองค์สมเด็จพระพักวันรมสรรัสสะชนดาทรงบัตทับบรรทมอยู่สมเด็จพระรูมาคูก็เรียกพระอานุน้ามาว่าอา น, า น, าอ น, อ น, นันทธาตุกรอนุนถ้าใครค้าตําหนิตีเตียในในใน จ, จนว่าถ้าไหวอาหารกับตถาคตแล้วถ้าไม่ตะทากตุ้ป่วยก็มีผ่านจงบอกเขาว่าอาหารที่เนี้ยนสงเลิศประเสริฐถ้าทานผู้เนี่ยนิสงเลิศประเสริฐประทานใดๆก็มีสองเวลา ละทาุนาสุชาดาทีเป็นปัจจัยให้กระคาคตรลุไปเสด็จัมมาสโพพยายยนไดกทานที่จะไหววัวในใกล้นี้ปาวันจนี้ผ่านนี้ก็เป็นทานประเสริฐในสงฆ์เช่นเดียวกันจนบอกกับคนอันหลายก็นในจุลอย่างนี้ก็จะ ไ, ไม่เสียใจถ้าถงกระไรก็ดีในยจุลจะถวายอาหารเนี่ไม่ถวายอาหารก็ตามทีกระคาคตรต้องิพานวันนี้แน่ หลังจากนั้นพระอนนทก็เสียใจคิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปิุมศาสดาอย่างทรงนิพพานแล้วแต่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วยังไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์เวลานี้แค่เป็นปัโสดาบันเพศความเจียงพระอนนทนี้ก่อนจะบทจะเป็นปัโสดาบันแล้วคือฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจบก็เป็นปัโสดาบัน แล้วก็เป็นมสรดาปันมนุษย์4 42ปียังไม่ได้พระอาหันต์ก็ไปยืนจับเกาะลุ่มหน้าต่างยืนร้องไห้ไเวลาี้องสมเด็จประจอมใจผ่านเราไม่มีครูสอนต่อไปเมื่อองสมเด็จพระจอมใจปรมุมส